ติกะมาติกะรวมรูปหมวดละสามปกินนักกะติกะหาชัดติกะอุปาตาติก ะ, าากะรูปที่เป็นภายในเป็นอุปาทายรูป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 อจตติกะอินทริยติกะรูปที่เป็นภายในเป็นอินทริยะรูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นอินทริยะรูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอินทริยะรูปก็มีอจตติกะมหพูตติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นมหพูตรูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นมหพูตรูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นมหภูตรูปก็มี อชัติกะนวินยะติติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นวิญญะติรูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นวิญญะติรูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นวิญญะติรูปก็มีอชัติกะนจิตตะสมุทฐานติกะรูปที่เป็นภายในไม่มีจิตเป็นสมุทฐานรูปที่เป็นภายนอกมีจิตเป็นสมุทฐานก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่มีจิตเป็นสมุทฐานก็มี อาเชตติกะนจิตตสหภูติกะรูปที Washington ่เป็นภายในเมื่อเกิดพร้อมกับจิตรูปที่เป็นภายนอกที่เกิดพร้อมกับจิตก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เกิดพร้อมกับจิตก็มีอาเชตติกะนจิตตานุปริวัติติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นไปตามจิตรูปที่เป็นภายนอกเป็นไปตามจิตก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นไปตามจิตก็มี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 ของสัญญาของเจตนาของจักุวิญญาณรูปที่เป็นภายในเป็นที่อาศัยเกิดของจักุวิญญาณก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักุวิญญาณก็มีผ้าหิระโซตสัมผัสศสนาวัตถุติกาธิติกะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นที่อาศัยเกิดของโซตสัมผัสของคณะสัมผัสของชิวหาสัมผัสของกายสัมผัส รูปที่เป็นภายในเป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัสก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัสก็มีภาหิระกายสัมผัสชาเวทนายาณวัตถุติกาธิติกาะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสของสัญญาของเจตนาของกายวิญญาณรูปที่เป็นภายใน เป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณก็มีวัตถุติกะจบอารมณติกะอชิติกะจักปุสัมผัสศาสนาอรมณติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอารมณ์ของจักปุสัมผัสรูปที่เป็นภายนอกเป็นอารมณ์ของจักปุสัมผัสก็มีรูปที่เป็นภายนอก ไม่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสก็มีอาชิติกะจักระสัมผัสชาเวทนาญานารมนติติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอารมณ์ของเวทนาที่เกิดแต่จักรุสัมผัสของสัญญาของเจตนาของจักระวิญญาณรูปที่เป็นภายนอกเป็นอารมณ์ของจักรุวิญญาณก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอารมณ์ของจักรุวิญญาณก็มี อาชะติกะโสตะสัมผัสศาสนารมณติกาทิติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอารมณ์ของโสตะสัมผัสของคานสัมผัสของชีวหาสัมผัสของกายะสัมผัสรูปที่เป็นภายนอกเป็นอารมณ์ของกายะสัมผัสก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอารมณ์ของกายะสัมผัสก็ meer, eddar, มีอาชะติกะกายะสัมผัสชาเวทนาญาณรมณติกาทิติกะ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 รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นจกักขายตนะ e รูปที่เป็นภายในเป็นจักขาญตนะก็มีรูปที่เป <symmetry. S 2> ็นภายในไม่เป็นจักขายตนะก็มีผ้าหิระโสตายตนะที่ติกะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโสตายตนะไม่เป็นคานายตนะไม่เป็นชีวหายตนะไม่เป็นกายายตนะรูปที่เป็นภายในเป็นกายยตนะก็มีรูปที่เป็นภายใน ไม่เป็นกายยตนะก็มีอชิติกะนรูปายตนะติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นรูปายตนะรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปายตนะก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นรูปายตนะก็มีอชิติกะนสัทธายตนะติกาทิติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นสัทธายตนะไม่เป็นคันทายตนะไม่เป็นรัษายาตนะ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 ขาหิระนัโสตะธาตุติกาทิติกะรูปท <agę> ี่เป็นภายนอกไม่เป็นโสตะธาตุไม่เป็นขานาธาตุไม่เป็นชิวหาธาตุไม่เป็นกายธาตุรูปที่เป็นภายในเป็นกายธาตุก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นกายธาตุก็มีอชัติติกะนัรูปธาตุติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นรูปธาตุรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปธาตุก็มี รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นรูปธาตุก็มีมาแชติกะนัสัต tha ทาตุติกาทิติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นสัตธาตุไม่เป็นคันธาตุไม่เป็นรัศธาตุไม่เป็นโพธพธาตุรูปที่เป็นภายนอกเป็นโพธพธาตุก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโพธพธาตุก็มีทาตุติกะจบอินทริยติกะ ภาหิระน่าจักขุนทริยะติกะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นจักขุนสีรูปที่เป็นภายในเป็นจักขุนสีก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นจักขุนสีก็มีภาหิระนโสตรินทริยติกาธิติกะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโสตินสีไม่เป็นคานินสีไม่เป็นชิวหินสีไม่เป็นกายยินสี รูปที่เป็นภายในเป็นกายยินรีข้อมีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นกายยินรีข้อมีอจชิตกะนอ um ิทินทริยะติกะ um รูปที่เป็นภายในไม่เป็นอิทินสีรูปที่เป็นภายนอกเป็นอิทินสีข้มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอิทินสีข้มีอจชิตกะนปุริสินทริยะติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นปุริสินสี รูปที่เป็นภายนอกเป็นปุริสินีข้อมีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นปุริสินีข้อมีอาชิติกนะนชีวิตินทริยติกะ ร, รูปที่เป็นภายในไม่เป็นชีวิตินีรูปที่เป็นภายนอกเป็นชีวิตินขตตีข้อมีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นชีวิตินีข้อมีอินทริยติกะจบสุคุมารูปติกะ อาชะติกะนักายวินยติติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นกายวินยติรูปที่เป็นภายนอกเป็นกายวินยติก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นกายวินยติก็มีอาชะติกะนวจีวินยติติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นวจีวินยติรูปที่เป็นภายนอกเป็นวจีวินยติก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นวจีวิญัติก็มี อาชติกะนาอากาศะทาตุติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอากาศะธาตุรูปที่เป็นภายนอกเป็นอากาสะธาตุก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอากาศะธาตุก็มีอาเชติกะนาอาโปทาตุติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอาโปธาตุรูปที่เป็นภายนอกเป็นอาโปธาตุก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอาโปธาตุก็มี อาชะติกะนรูปัสะลหุตาติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นลหุตารูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นลหุตารูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นลหุตารูปก็มีอาชะติกะนัรูปัสะมุทุตาติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นมุทุตารูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นมุทุตารูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นมุทุตารูปก็มี อัชตติกะนโรปัสกรมมัญญตาติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นกรมมัญญตารูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นกรมมัญญตารูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นกรมมัญญตารูปก็มีอจชตติกะนโรปัสอุปจชยะติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอุปจยรูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นอุปจิยรูปก็มี รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอุปจัยรูปก็มีอาชาติกะนรูปัสสะสันตติติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นสันตติรูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นสันตติรูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นสันตติรูปก็มีอาชาติกะนรูปัสสะชรตาติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นชรตารูป รูปที่เป็นภายนอกเป็นชรตารูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นชรตารูปก็มีอชชะติกะนรูปะสะอณิจจตาติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอณิจจตารูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นอณิจจตารูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอณิจจตารูปก็มีอชชะติกะนกวลิงปาราหาราติกะ รูปที่เป็นภายในไม่เป็นเกาวลิงกราหานรูปที่เป็นภายนอกเป็นเกาวลิงกราหานก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นกาวลิงกราหานก็มีสุคุมมารูปติกะจบรวมรูปหมวดละสามอย่างนี้ติกกะมาติกาจบ จุกะมาติการวมรูปหมวดละสี่อุปาทาอุปาทินนณจตุกะรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีรูปที่มีเป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีรูปที่มีเป็นอุปาทายรูป เป็นรูปเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีอุปาทาอุปาทินุปาธานิยจตุกะรูปที่เป็นอุปาทานยรูปเป็นรูปเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถื อ, แ ล, อ Kunst, และเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีรูปที่เป็นอุปาทายรู ป, รปเป็นรูปเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีรูปที่ม่เป็นอุปาทายรูป เป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีอุปาทาสัมปติฆะจตุกะรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กระทบได้ก็มีรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กระทบไม่ได้ก็มี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 อุปาทาทูเรจตุกะรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปไกลก็มีรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปใกล้ก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปไกลก็มีรูปที่มีเป็นอุปาทายรูปเป็นรูปใกล้ก็มีอุปาทินะสนิทัสนะจตุกะรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปที่เห็นได้ก็มี รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปที่เห็นไม่ได้ก็มีรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปที่เห็นได้ก็มีรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปที่เห็นไม่ได้ก็มีอุปาทินะสัปติฆะจตุกะรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปที่กระทบได้ก็มี รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปที่กระทบไม่ได้ก็กรรมรกรรรีรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปที่กระทบได้ก็มีรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปที่กระทบไม่ได้ก็มีอุปาทินะมหาภูตะจตุกะรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นมหาภูตะรูปก็มี รูปที่กรรมอันประกอบด้วย ต, ต, ตัณหาและทิฏฐิยึดถือไม่เป็นมหาภูตรูปก็มี ร, ะะรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นมหาภูตรูปก็มีรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือไม่เป็นมหาภูตรูปก็มีอูปาทินโอลาฤกกะจะทุกะรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปหยาบ ก, ก็มี รู kind of of Whoa, ปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปละเอียดก็มีรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปหยาบก็มีรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปละเอียดก็มีอุปาทินาทูเรจตุกะรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปไกลก็มีรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปใกล้ก็มี รูปที่กลัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปไกลก็มีรูปที่กลัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปใกล้ก็มีอุปาทินุปาทานิยะสันิทัสนะจตุกะรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปที่เห็นได้ก็มีรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 อุปาทินุปาทานิยมหาภูตะจตุกะรู ป, ปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นมหาภูตรูปก็มีรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานไม่เป็นมหาภูตรูปก็มีรูปที่กรรมอันประกอบด้วยต <life> ัณหาและทิฏฐิไ <nerve> ม <movie> ่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นมหาภูตรูปก็มี รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานไม่เป็นมหาภูตรูปก็มีอุปาทินุปาทานิยโอลาหรกะจตุกะรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปหยาบก็มีรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปละเอียดก็มี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 รูปที่กระทบไม่ได้เป็นอินทริยารูปก็มีรูปที่กระทบไม่ได้เป็นอินทริยารูปก็มีรูปที่กระทบไม่ได้ไม่เป็นอินทริยารูปก็มีสรปพติฆะมหาภูตะจตุกะรูปที่กระทบได้เป็นมหาภูตารูปก็มีรูปที่กระทบได้ไม่เป็นมหาภูตารูปก็มีรูปที่กระทบไม่ได้เป็นมหาภูตารูปก็มี รูปที่กระทบไม่ได้ไม่เป็นมหาภูตรูปก็มีอินทริยะโอลาฤกกะจตุกะรูปที่เป็นอินทริยะรูปเป็นรูปหยาบก็มีรูปที่เป็นอินทริยะรูปเป็นรูปละเอียดก็มีรูปที่ไม่เป็นอินทริยะรูปเป็นรูปหยาบก็มีรูปที่ไ uh> ม่เป็นอินทริยะรูปเป็นรูปละเอียดก็มีอินทริยะทูเรจตุกะรูปที่เป็นอินทริยะรูปเป็นรูปไกลก็มี รูปที่เป็นอินทริย์รูปเป็นรูปใกล้ก็มีรูปที่ไม่เป็นอินทริย์รูปเป็นรูปไกลก็มีรูปที่ไม่เป็นอินทริย์รูปเป็นรูปใกล้ก็มีมหาภูตตาโอลาริกะจตุกะรูปที่เป็นมหาภูตารูปเป็นรูปหยาบก็มีรูปที่เป็นมหาภูตารูปเป็นรูปละเอียดก็มีรูปที่ไม่เป็นมหาภูตารูปเป็นรูปหยาบก็มี รูปที่มีเป็นมหาภูตรูปเป็นรูปละเอียดก็มีมหาภูตะทูเรจตุกะรูปที่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปไกลก็มีรูปที่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปใกล้ก็มีรูปที่มีเป็นมหาภูตรูปเป็นรูปไกลก็มีรูปที่มีเป็นมหาภูตารูปเป็นรูปใกล้ก็มีทิฏฐาที่จตุกะรูปที่เป็นรูปที่เห็นได้เป็นรูปที่สดับได้เป็นรูปที่ทราบได้ เป็นรูปที่รู้แจ้งได้รวมรูปหมวดละสี่อย่างนี้จจตุกะมาธิกาจบปัญจกะมาติการวมรูปหมวดละห้ารูปที่เป็นปฐวีธาต รูปที่เป็นอาโปธาต์รูปที่เป็นเตโชธาต์รูปที่เป็นวาโยธาต์รูปที่เป็นอุปาทายรูปรวมรูปหมวดละห้าอย่างนี้ปัญจกะมาติกาจบชักกะมาติการวมรูปหมวดละหกรูปที่จักขวิญญาณรู้ได้รูปที่โสตะวิญญาณรู้ได้รูปที่คาณะวิญญาณรู้ได้รูปที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้ รูปที่กายาวิญญาณรู้ได้รูปที่มโนวิญญาณรู้ได้รวมรูปหมวดละหกอย่างนี้ฉักะมาต ouais ิกาจบสัตตกมาติการวมรูปหมวดละเจ็ดรูปที่จักผูวิญญาณรู้ได้รูปที่โสตะวิญญาณรู้ได้รูปที่ภาณวิญญาณรู้ได้รูปที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้รูปที่กายะวิญญาณรู้ได้รูปที่มโนธาตรู้ได้ รูปที่มโนวิญญาณธาตรู้ได้รวมรูปหมวดละเจ็ดอย่างนี้สัตกะมาติกาจบอัตกะมาติการวมรูปหมวดละแปดรูปที่จักควิญญาณรู้ได้รูปที่โสตะวิญญาณรู้ได้รูปที่คาณวิญญาณรู้ได้รูปที่เชียวหาวิญญาณรู้ได้รูปที่กายะวิญญาณรู้ได้ที่มีสัมผัสเป็นสุขก็มีที่มีสัมผัสเป็นทุกข์ก็มี รูปที่มโนธาตรู้ได้รูปที่มโนวิญญาณธาตรู้ได้รวมรูปหมวดละแปดอย่างนี้อัธกัมมัติกาจบนวักะมาธิการวมรูปหมวดละเก้ารูปที่เป็นจาขุนสีรูปที่เป็นโสตินสีรูปที่เป็นคานินรีรูปที่เป็นชิวหินสีรูปที่เป็นกายินรีรูปที่เป็นอิทินสีรูปที่เป็นปุริสินสี รูปที่เป็นชีวิตินรียรูปที่ไม่เป็นอินรียรวมรูปหมวดละเก้าอย่างนี้นวกะมาติกาจบทศกะมาติการวมรูปหมวดละสิบรูปที่เป็นจักขุนสีรูปที่เป็นโสตินรีรูปที่เป็นคาณินรียรูปที่เป็นชิวหินสีรูปที่เป็นกายินรีรูปที่เป็นอิทินสีรูปที่เป็นปุริสินสีย รูปที่เป็นชีวิตินทรีสีรูปที่ไม่เป็นอินทรีย์ที่กระทบได้ก็มีที่กระทบไม่ได้ก็มีรวมรูปหมวดละสิบอย่างนี้ทัศกามาติกาจบเอกาทัศกามาติการวมรูปหมวดละสิบเอ็ดรูปที่เป็นจักขายาตนะรูปที่เป็นโสตายญตนะรูปที่เป็นคานายญตนะรูปที่เป็นชิวหายญาตนะรูปที่เป็นกายญยตนะ รูปที่เป็นรูปรายตนะรูปที่เป็นสัทธายตนะรูปที่เป็นคันทายตนะรูปที่เป็นรสายตนะรูปที่เป็นโพธพายตนะรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะรวมรูปหมดละสิบเอ็ดอย่างนี้เอกาทศกะมาติกาจบมาติกาจบ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 เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นอัพยกฤตรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่เป็นเจตสิกวิปยุตจากจิตไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ไม่สหรโคตด้วยปีติไม่สหรโคตด้วยสุขไม่สหรโคตด้วยอุเบกขา ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานไม่เป็นของเสชะบุคคลและอเสชะบุคคลเป็นปริตะเป็นกามวจรไม่เป็นรูปาวจรไม่เป็นอรูปาวจรนับหนึ่งในวัตทุกข์ไม่ใช่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์เป็นธรรมชาติไม่แน่นอน ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุ์เป็นธรรมที่เกิดขึ้นอนวิ ญ, ญิาณหกรู้ได้เป็นธรรมชาติไม่เที่ยงถูกชราครอบงำรวมรูปหมวดละหนึ่งอย่างนี้เอกะนิเทศจบทุกกะนิเทศปคินนกะทุกกะอุปาทาภาชนีรูปที่เป็นอุปาทายรูปนั้นเป็นไนจะคขายตนะโสตายตนะคานายตนะ ชิวหายาตนะกายายตนะรูปายตนะศัทธายตนะคันทายตนะรัายตนะอิถินสีปุริสินสีชีวิตินสีกายวิญยัติวจีวิญยัติอากาศธาตุละหุตารูปมุตุตารูปกลมัญตารูปอุปัจยรูปสันตติรูปชรตารูปอณิจตารูปและกลาวลีงกราหาน จักขาญตณนะรูปที่เป็นจักขาญตณนะนั้นเป็นไนจักสุใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับเนื่องในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้สัตว์นี้เคยเห็นกำลังเห็นจกเห็นหรือพึงเห็นรูปที่เห็นได้กระทบได้ด้วยจักสุใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าจักขูบ้างจักขาญตนะบ้างจักขูธาตุบ้าง จากขุนศีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุดบ้างปัญธระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างเนตบ้างนายนาบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นจักขายาตนะรูปที่เป็นจักขายาตนะนั้นเป็นไนจากสุใดเป็นปภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสีนับหนึ่งในอัตภาพ ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้รูปที่เห็นได้และกระทบได้เคยกระทบกําลังกระทบจะกกระทบหรือพึงกระทบที่จักสุใดซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าจากขูบ้างจากข้ายตนะบ้างจากขู่ธาตุบ้างจากขุนศีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุดบ้างปรรทระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้าง เนธบ้างนายนาบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นจักขายานะรูปที่เป็นจักขายานะนั้นเป็นฉไฉนจักสุใดเป็นประษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับเนื่องในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้จักสุใดเห็นไม่ได้เพือกระทบกระทบแล้วกำลังกระทบจากกระทบ หรือพึงกระทบที่รูปซึ่งเห็นได้และกระทบได้นี้ชื่อว่าจากขู่บ้างจากขาญตนะบ้างจากขู่ธาตุบ้างจากขุนสีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุดบ้างปัญทะบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างเนตบ้างนายนาบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นจากขาญตนะ รูปที่เป็นจักขาญตนะนั้นเป็นไนจักสุใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับหนึ่งในอัถภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เพราะอาศัยจักสุใดจักขุสัมผัสปราลรบรูปเป็นอารมณ์เคยเกิดกำลังเกิดจะกเกิดหรือเพิ่งเกิดเพราะอาศัยจักสุใดเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสสัญญาเจตนา จากขูวิญญาณปรารบรูปเป็นอารมณ์เคยเกิดกำลังเกิดจกเกิดหรือพึงเกิดเพราะอาศัยจากสุใดจากขูสัมผัสมีรูปเป็นอารมณ์เคยเกิดกำลังเกิดจกเกิดหรือพึงเกิดเพราะอาศัยจากสุใดเวทนาที่เกิดจากจากขูสัมผัสสัญญาเจตนาจากขูวิญญาณมีรูปเป็นอารมณ์เคยเกิดกำลังเกิดจกเกิดหรือพึงเกิด นี้ชื่อว่าจากขูบ้างจากขายาตนะบ้างจากขูท่าบ้างจากขุนศีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุดบ้างปัญธระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างเนตรบ้างนัยนาบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นจากขายาตนะโสตายตนะรูปที่เป็นโสตายตนะนั้นเป็นไน โสตไดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับเนื่องในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้สัตว์นี้เคยฟังกําลังฟังจากฟังหรือพึงฟังเสียงที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยโสตะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าโสตะบ้างโสตายตนะบ้างโสตาธาตบ้างโสตินทรีบ้า ง, โ, างโลกบ้างทวารบ้าง หมดบ้างปัทระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นโสตายตนะรูปที่เป็นโสตายตนะนั้นเป็นไนโสตใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับหนึ่งในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เสียงที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกําลังกระทบจกกระทบ หรือพึงกระทบที่โสตะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าโสตะบ้างโสตายตนะบ้างโสตธาตบ้างโสตินรีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุดบ้างปัญระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นโสตายตนะรูปที่เป็นโสตายตนะนั้นเป็นไน โสตไดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับเนื่องในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้โสตะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกำลังกระทบจากกระทบหรือพึงกระทบเสียงที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าโสตบ้างโสตายตนาบ้างโสตธาตบ้างโสตินรีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุดบ้าง ปันธระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นโสตายตนะรูปที่เป็นโสตายตนะนั้นเป็นไนโสตใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับเนื่องในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เพราะอาศัยโสตใดโสตสัมผัสปรารพบเสียงเป็นอารมณ์เคยเกิดกำลังเกิดจากเกิด หรือพึงเกิดเพราะอาศัยโสตะใดเวทนาที่เกิดแต่โสตสัมผัสสัญญาเจตนาโสตวิญญาณปราลบเสียงเป็นอารมณ์เคยเกิดกําลังเกิดจกเกิดหรือพึงเกิดอาศัยโสตใดโสตสัมผัสมีเสียงเป็นอารมณ์เคยเกิดกําลังเกิดจกเกิดหรือพึงเกิดเพราะอาศัยโสตใดเวทนาที่เกิดแต่โสตสัมผัส สัญญาเจตนาโสตะวิญญาณมีเสียงเป็นอารมณ์เคยเกิดกําลังเกิดจกเกิดหรือพึงเกิดนี้ชื่อว่าโสตะบ้างโสตายตนะบ้างโสตธาตบ้างโสตินทรียบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุดบ้างปัญธระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นโสตายตนะ คานายตนะรูปที่เป็นคานายตนะนั้นเป็นฉชนิคานะใดเป็นปาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับเนื่องในอัถภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้สัตว์นี้เคยดมกำลังดมจักดมหรือพึงดมกลิ่นที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยคานะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าคานะบ้างคานายตนะบ้าง คานธาตุบ้างคานินสีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุดบ้างปันธระบ้างเฉตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นคานายตนะรูปที่เป็นคานายตนะนั้นเป็นไนคานะใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับเนื่งในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ กลิ่นที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกำลังกระทบจักกระทบหรือพึงกระทบที่คานะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าคานะบ้างคานายตนะบ้างคานาตาบ้างคานินรีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุดบ้างบันทระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้าง รูปนี้ชื่อว่าเป็นคานายตนะรูปที่เป็นคานายตนะนั้นเป็นไนคานะใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับหนื่องในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้คานะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกําลังกระทบจะกกระทบหรือพึงกระทบกลิ่นที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าคานะบ้าง คานายตนะบ้างคานะธาตุบ้างคานินรีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุดบ้างปัรทระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นคานายตนะรูปที่เป็นคานายตนะนั้นเป็นไนคานะใดเป็นภาษาธรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับเนื่องในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ เพราะอาศัยคานะใดคานะสัมผัสปรารค ก, กลิ่นเป็นอารมณ์เคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดเพราะอาศัยคานะใดเวทนาที่เกิดแต่คานะสัมผัสสัญญาเจตนาคา น, นะวิญญาณปรารคกลิ่นเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดเพราะอาศัยคานะใดคานะสัมผัสมีกลิ่นเป็นอารมณ์เคยเกิดกาลังเกิด <lump en> จะเกิดหรือพึงเกิดเพราะอาศัยคานะใดเวทนาที่เกิดแต่คานะสัมผัสสัญญาเจตนาคานะวิญญาณมีกลิ่นเป็นอารมณ์เคยเกิดกาลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดนี้ชื่อว่าคานะบ้างคานายตนะบ้างคานธาตุบ้างคานินสีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุดบ้างปันธระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้าง